สำหรับผู้ที่มาใหม่ก็อยากจะแจ้งกติกาของที่นี่เวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ต้องไม่คุยกันนะต้องไม่ทำอะไรต้องนั่งเฉยๆถ้าอยู่ถ้านั่งอยู่บนศาลานี้ก็ควรจะปิดมือถือเพราะเดี๋ยว เกิดใครโทรเข้ามามันก็จะส่งเสียงดังแล้วมันก็จะรบกวนกันอันนี้เวลาฟังธรรมต้องการความสงบความเงียบเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดเป็นความรู้ที่ต้องใช้สมาธิใช้สติในการฟังมาก คือต้องไม่มีอะไรมาลบกวนใจถ้ามีอะไรมาลบกวนแล้วจะฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วจะไม่เข้าใจฟังแล้วจะไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าฟังดีกว่าถ้าฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ไปทําอะไรอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าอันนี้คือทำไมเราจึงต้อง มีกฎกติกาคือเราต้องอสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการฟังเทศฟังธรรมเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นคำสอนที่มีความหมายลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจต้องใช้ความตั้งใจฟัง เรตั้งใจคิดถึงจะเข้าใจเราจะเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนว่าเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเรานี่ก็อาจจะต้องพูดย้ำอยู่บ่อย เพราะว่ามีผู้มาใหม่อยู่มาอยู่เรื่อยๆแล้วอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาไปที่วัดอื่นเวลาไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังพระสวดจะไม่มีกฎกติกาแบบนี้เวลาไปงานศพงานสวดกันนี้ ญาติโยมมากจะนั่งคุยกันปล่อยให้พระสวดไปญาติโยมก็นั่งคุยกันไปต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ญาติโยมก็เป็นงานสังคมนาน า, นานจะเจอคนรู้จักกันก็จะต้องทักทายถามสารทุกขสุบดิบส่วนพระมีหน้าที่สวด ก็ปล่อยท่านสวดไปอ่ามันนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ญาติโยมไม่ได้ไปฟังพระสวดญาติโยมไปงานสังสรรค์ไปพบปะหรือไปแสดงความเสียใจถ้าเป็นงานศพก็ไปแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพถ้าไป ้าเป็นงานแต่งงานเป็นงานเกิดวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่ก็ไปแสดงความยินดีกับเจ้าภาพไม่ได้ตั้งใจที่จะไปฟังพระสวดพระเทศแต่อย่างใดฉะนั้นบางคนก็เวลามาที่นี่ก็อาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นพอมาพอได้ยินพระเริ่ม แสดงทมญาติโยบก็เริ่มคุยกันคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันจะทำให้เกิดการรบกวนกันคนที่นั่งอยู่ข้างๆเราที่เขาอยากจะฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะจะได้ยินแต่เรื่องที่เรากำลังคุยกัน แล้บางทีถ้ามานั่งคุยกันต่อหน้าคนแสดงธรรมมันก็ทําให้คนแสดงธรรมนี้เสียสมาธิไปแสดงไม่ออกพูดไม่ออกเพราะว่าหนึ่งพูดไปก็ไม่รู้ว่าใครฟังอยู่หรือเปล่าพูดไปแล้วไม่มีคนฟังก็ไม่รู้จะพูดไปทําไมที่พูดนี้ก็เพราะว่ามีคนมาฟัง มีคนยามาอยากจะฟังก็เลยออกมาพูดนแต่รู้ว่าไม่อยากจะฟังก็ไม่ออกมาพูดก็ได้ต่างคนต่างอยู่กันเราก็อยู่ของเราตามลาพังญาติโยมมก็นั่งคุยกันไปตามอัตยาสายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ ต่อกันละกันการที่เราต้องมาเจอกันก็เพราะว่าผู้ที่มาก็อยากจะมาศึกษามาหาความรู้ผู้ที่พูดก็เป็นเหมือนครูที่โรงเรียนเมื่อมีเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือครูก็ต้องทำหน้าที่ของครูคือสั่งสอนให้ความรู้ กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนจึงได้รับความรู้จะฉลาดขึ้นกว่าเดิมเด็กที่เริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ๆนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรพอเรียนไปได้เรื่อยต่อไปก็จะฉลาดจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสามารถทำอะไรอะไรที่ไม่เคยทำหรือทำไม่ได้ สามารถเอาความรู้นี้ไปประกอบประกอบอาชีพรรมาหากินที่โดยอาชีพที่สุดจริตสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของตนการมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน มาเรียนรู้เพื่อให้เราได้มีความฉลาดเฉลียวให้เรารู้สิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่เราไม่เคยเรียนเราจะไม่รู้ทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในตัวเราเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ คนคว้าเราเลยไม่รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราสิ่งที่เป็นคุณกับเราเราก็ไม่รู้สิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษกับเราเราก็ไม่รู้และถ้ารู้ก็อาจจะรู้แบบผิดผิดรู้ผิด ไม่ใช่รู้เป็นไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรกลับไปเห็นผิดเห็นกลับกันเห็นสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นภัยว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็คือการกระทาของเรานี่แหละที่เรามักจะเห็นกับตาลปัดเห็น เห็นเห็นเป็นเห็นตรงกันข้ามกับความจริง ừ. การกระทำดีเรากลับเห็นว่ามันไม่ดีการกระทำไม่ดี ừ. เรากลับเห็นว่ามันดีเช่นอะไรเช่นการดื่มสุรายาเมา ừ. มันไม่ดีแต่เรากลับไปเห็นว่ามันดี แต่แม่งานเลี้ยงนี่ต้องเอาสุรามาเลี้ยงกันแสดงว่ามันต้องเห็นว่าสุราดีงานแต่งงานวันมงคลนะงานแต่งงานงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่เป็นวันมงคลเราต้องเอาของดีๆมาเลี้ยงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็เลยเอาสุรามาเลี้ยงกัน อันนี้เป็นการเห็นผิดเป็นชอบเพราะพพุทธเจ้านี้ท่านเห็นสุราว่ามันไม่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ดื่มเป็นโทษก่ผู้ดื่มแต่แทนที่จะเห็นพวกเรากลับไปเห็นว่ามันดีดื่มแล้วมันเมาเมาแล้วมันจะได้คึกขนองมันจะได้พูดได้ทำอะไร ได้อย่างไม่มีความรู้สึกอย่างอายคนเวลาไม่เมานี้จะไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรแบบคนที่กินเหล้าเมาออกกินเหล้าเมาแล้วจะมีอาการอด้านต่อความรู้สึกนึกคิดที่ดีงามะจะอะทําอะไรตามความตามอําเภอใจอถ้าไม่เมานี้จะ ไม่กล้าทำจะเกงใจผู้อื่นแต่พอเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะคอยควบคุมความคิดที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจไม่ให้มันลามปลามออกมาทาง การกระทาทางกายทางวาจาเนะพวกเราเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีอยู่ในใจกันอยู่เรื่อยๆแต่เรายังมีสติพอที่จะยับยั้งมันออคิดอยากจะด่าใครก็บางทีเขาต้องยับยัง้งมาออไม่ควรด่าเขาทำอะไรไม่ทำให้เราไม่ถูกอกถูกใจไม่พอใจเราก็มักจะอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขา แต่ถ้าเรามีสติไม่มึนเมาเราก็จะไม่ดา่าเพราะเรารู้ว่ามันด่าไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดเรื่องขึ้นมาเราด่าเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะด่าเราเขาด่าเราที่นี้เราก็อยากจะตีเขาว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเราจึงมักไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกันเวลาที่เราไม่ได้ดื่มสรุรา แต่เวลาที่เราเดื่มสุราเนี่มักจะมีเรื่องกันมีเรื่องตีกันมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันสร้างความเสียหายต่อกันและกันนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ดีที่เรากลับไปคิดว่ามันดีแล้เราเลยต้องเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี เพราะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมีผลที่ไม่ดีกลับมาหาเราผลของการดื่มสุรานี่มีมากมายความเสียหายมีหลายหลายประการด้วยกันอันนี้ถ้าดื่มแบบมากๆดื่มเป็นอา จ, จินดื่มเป็นนิสัยนี่มันจะเกิดโทษมากมาย แต่คนเราส่วนใหญ่เวลาเริ่มดื่มมันก็ไม่ดื่มมากแต่มันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าไม่ระมัดระวังมันดื่มแล้วมันจะติดติดนิดสัยแล้วอยากจะดื่มเรื่อยๆแล้วอยากจะดื่มมากขึ้นไปพอดื่มถึงขั้นติดทุแล้วนี่จะเกิดโทษ้ามาถ้าดื่มเป็นบางครัง้งบางคราว เช่นไปงานวันเกิดก็ดื่มทักครั้งงานปีใหม่อันนี้ก็ยังไม่มีโทษหนักไม่มากแต่ก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะขณะที่ดื่มถ้าดื่มแบบไม่รู้จักประมาณพอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา <c oughs> ก็อาจจะไปพูดไปทําอะไรที่เสียหายได้ <c oughs> ถ้าดื่มเป็นนิสัยนี่จะมีโทษมาก ข้อที่หนึ่งความเสียหายที่เกิดจากการดื่มสซลาก็คือต้องเสียเงินเงินทางที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ที่เราหามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูชีวิตเราเรากลับเอามาค่าชีวิตเราค่าผ่อนส่งการดื่มสซลานี้เป็นเหมือนการค่าผ่อนส่งเดือนไปวันละนิด ก็ค่าตัวเราลงไปวันละนิดวันละหน่อยหมอนี่เขามีหลักฐานยืนยันแล้วว่าสุลานีเา่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บคนที่ดื่มสุราเป็น เ, เป็นนิ ส, สัยนี้จะมีโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนที่ไม่ดื่มสุรา ที่เห็นชาติก็คือที่เกี่ยวกับตับกับไตเนี่ยคนที่ดื่มสุรามากๆนี่จะมีปัญหาเรื่องตับแข็งนี่ยนอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอื่นเป็นโรคแสกซ้อนโรคที่สุราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวตัวหลักแต่เป็นตัวเสริมคือโดยสรุปก็คือหนึ่งเสียเงินที่มีคุณค่า ที่เราอุตสาห์มาเพื่อมาเลี้ยงดูชีวิตเราแทนที่จะเอามาเลี้ยงดูชีวิตเราด้วยการซื้ออาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ซื้อเครื่องดื่มที่มีคุณค่ามีประโยชน์มาดื่มหรือซื้อยามารักษาโาครคภัยไข้เจ็บเรากลับเอาเอาเงินไปซื้อสุรามาสร้างโาครคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายของเราน ข้อที่หนึ่งก็คือเสียเงินทองข้อที่สองก็เสียสุขภาพคนดื่มสุราเป็นฤิ์ัยนี่อายุมักจะไม่ยาวอายุจะไม่ยืนหกสิบกว่าก็อาจจะตายจะอยู่ไม่ถึงแปดสิบเก้าสิบปี <c oughs> นี่ข้อที่สองเสียเงินแล้วต้องเสียสุขภาพ เสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรก็ที่สามจะเสียสติเวลาดื่มสุรานแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดไม่มีสติควบคุมการพูดการกระทำคนเสคนดื่มสุรานี้จึงเป็นคนที่น่ารังเกียจเวลาเราเห็นคนเมา เ, เราจะเข้าหาไหม เห็นถ้าคนนี้เมาแล้วถอย อ, อยู่ใข้แล้วหนึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องสองคุยแล้วมักจะมีแต่เรื่องคนเามาดีมักจะหาเรื่องไม่ได้คุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดเพื่อคุยเพื่อให้เกิดมีเรื่องมีเลวโต้เถียงกันไม่มีสติเสียสติ เมื่อเสียสไม่มีสติก็จะทำให้เสียงานเสียการเหนื่มสรามากมากเมานอนต้องนอนหลับจะไปทำงานทำการก็ไม่ไหวเดินขึ้นมาก็ปวดศีรษะก็จะขาดงานอยู่เรื่อยๆขาดงานแล้วเดี๋ยวก็จะต้องตกงานเพราะว่านายจ้างเขาก็จะไม่อยากจะจ้างเรา น, นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าดีแต่มันไม่ดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าสิ่งด้วยกันที่ไม่ดีแต่เราคิดกันว่าดีสิ่งที่สองที่เราคิดว่าดีก็คือการเล่นการพนันทําไมคนถึงต้องเล่นการพนันกันถ้ามันไม่ดีทําไมไปเล่นการพนันกัน คนที่ไปเล่นการพนันนี้เขาต้องเห็นว่ามันดีอย่างใดอย่างหนึง่งหนึ่งมันสนุกมันเล่าใจเวลาเล่นการพนันนี้มันทำให้มีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมามากมายอย่างง่ายดายไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานทำมาหากินกว่าจะได้มาแต่ละบาทสองบาทนี้มันเหน็ดเหนื่อย แเล่นการพนันนี่แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็อาจมาได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็เลยทําให้คิดว่าการเล่นการพนันนี้เป็นวิธีที่จะหาเงินได้อย่างง่ายได้มากได้ง่ายได้เร็วคนเราจึงมักจะอชอบเดินทางลัดกันหาเงินแบบทางลัดคือไปเล่นการพนันกัน พอเล่นแล้วนี่พอได้ก็ดีใจก็อยากจะได้อีกก็เล่นต่อแล้วเงินที่ได้จากการนั้นก็ใช้แบบสุรุยสุร่ายซื้อแบบไม่ระมัดระวังก็ อ, อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรอยากจะใช้อะไรก็ใช้เพราะมันได้มาง่ายก็เลยใช้มันง่าย พอได้มาก็ใช้แล้วก็อยากจะได้อีกก็เล่นอีกคิดว่าเล่นแล้วจะต้องได้ก็เล่นนี่พอเล่นบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้อพอไม่ได้ก็อยากจะเอาคืนก็ต้องเล่นอีกก็สรุป้วพอเล่นพอมันติดแล้วมันก็เลิกไม่ได้ได้ก็อยากแล้วเล่นต่อเสียก็อยากจะเอาคืน ก็เล่นอีกพอเสียงก็ต้องไปขายตั้งเงินหมดก็ต้องไปขายทรัพย์สมบัติข้าวของที่มีอยู่ในบ้านมีอะไรขายได้ก็ขายเพื่อที่จะเอามาเล่นต่อเนี่ยเขาว่าการปณรันนี้มันโหดร้ายทารุณกว่าขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมันก็ขนแต่ข้าวของไป แต่บ้านมันยังเอาไปไม่ได้ที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านมันก็ร้ายกว่าขโมยตรงที่ว่ามันเผาบ้านแต่มันยังไม่เผาที่ดินไม่ได้ที่ดินยังอยู่แต่ถ้าการพนันนี้มันเอาไปหมดเลยทั้งข้าวของทั้งทั้งบ้านทั้งที่ดินขายหมดคนที่เล่นนี่ มีอะไรจะขายหมดเพราะอยหวังยาวคืนแล้วนอกจากนั้นพอหมดแล้วยังอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่อเมื่อไม่มีทรัพย์สินตนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วบางทีกู้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็ต้องคอยหลบหลีกเจ้านี้เวลาเจอเจ้านี้ก็ถูกเขาด่าเขาว่าเอา ถ้าเจอเจ้านี้ที่โหดร้ายก็อาจจะมีการทําร้ายร่างกายถ้าไปกู้นี้ยืมสินจากคนที่อยู่ในบ่อนการพนันพวกนี้เขาจะเป็นอันตรพานิชย์พอไปกู้เงินจากเขาแล้วเดี๋ยวไม่ใช้เขาเขาก็ต้องใช้การซ้อมการทําร้ายร่างกาย เพื่อให้เราหาเงินมาใช้เขาถ้าหาไม่ได้ก็อาจจะถูกเขาข้าตายก็ได้นี่คือผลที่ตามมาจากการเล่นการพนันถ้าไม่ละมัดระวังถ้าไม่รู้จักหาก้างค้ายับยั้งจิตใจจิตใจจะชีวิตจะตกต่ำจะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าจะไม่มีวันที่จะร่ารวย เคยศึกษาประวัติของคนร่ำรวยนะมว่ามีใครเขาร่ำรวยจากการเล่นการพนันบ้างไม่มีใครร่ำรวยจากการเล่นการพนันรวยแต่รวยจากการทำมาหากินอาชีพที่สุดจริบถ้าอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ไปศึกษาประวัติของคนที่เขาร่ำรวยดูว่าเขารวยอย่างไร แล้วก็ทำตัวอย่างเห็แม้พวกเจ้าของธนาคารทั้งหลายนี้ประวัติก็เสื้อใบหมอนใบามาจากเมืองจีนนั่งเรือมามาถึงเมืองสยามาก็ไปตั้งร้าน เ, าเปิดร้านาขายของอาหาเงินไม่ใช้เงินปีหนึ่งหยุดแค่สองวันสามวันวันวันตรุจีน วันอื่นนี่ไม่หยุดเปิดตลอดเห็นไหมร้านคนจีนนี่ก็ไม่มีวันหยุด mm hmm. เขาขายทุกวัน mm hmm. ปีหนึ่งจะหยุดแค่ช่วงตรุษจีนเนี mm ่ย hmm. เขามีแต่หาเงินเขาไม่มีเวลาไปใช้เงิน mm hmm. เงินก็เลยพอกฟูนขึ้นมาพอมีเงินมากเขาก็ไปขยายกิจการได้ mm hmm. เพิ่มร้านเพิ่มสาขา mm hmm. ตอนต้นก็เปิดถ้าเป็นธนาคารตอนต้นก็เปิดสาขาเดียวพอบริการดีคนมาใช้มากก็ไปเพิ่มไปเปิดสาขาที่สองที่สามต่อไปไม่นานก็มีเป็นร้อยสา ข, าขาขึ้นมาถ้าอยากจะล่มอยากจะรวยต้องไปศึกษาดูประวัติของคนที่เขาล่ำรวยว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไร เขาต้องมีความขยันมีความอดทน เ, เขาจะไม่เสพสุราเขาจะไม่เล่นการพ น, นันเพราะเขารู้ว่ า, ามันเป็นตัวที่จะมาดูดทรัพย์ไปไม่ใช่เป็นตัวตัวที่จะสร้างทรัพย์ให้กับเข า, เานี่ก็คือตัวอย่างของของสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราที่ ที่เราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับเรานอกจากการดื่มสุราเล่นการพนันแล้วสิ่งที่เป็นโทษข้อที่สามก็คือการเที่ยวเนี่ยการเที่ยวเตะ เพราะการเที่ยวนี้มันมีแต่การเสียเงินเที่ยวทีก็ต้องใช้เงินมันไม่มีรายได้จากการเที่ยวห็นถ้าเที่ยวแบบติดเป็นนิสัยนี้ก็จะทำให้เงินทองที่หามาได้หมดไปได้อย่างรวดเร็วและเวลาที่เอาไปเที่ยวก็จะไม่ได้เอามาทำงาน แทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวมาทำงานทำมาหากินมาหาไรายได้กับเอาเวลาไปใช้เงินใช้ทองกันยิ่งเที่ยวมากเวลาจะหาเงินหาทองก็มีน้อยลงไปอ่างพระพุทธเจ้าจึงห้ามสอนไม่ให้เที่ยวกันถ้าเที่ยวก็ให้พอประมาณรู้จักความพอดี อ, อย่างชาวจีนนีเขาเที่ยวปีละครั้ง ปัดกินเขาหยุดสามวันสี่วันเขาไปเที่ยวกันเที่ยวแบบนี้ไม่ไม่เสียหายเพราะนานทีปีหนอแต่เที่ยวกันแบบทุกวันทุกคืนถ้าเที่ยวอย่างนี้จะเสียงานเสียการจะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายแล้วเที่ยวแล้วมันจะติดนิสัยด้วยมันจะอยากเที่ยวมากกว่าอยากไปทํางาน แล้วต่อไปเงินทองมีเท่าไหร่มันก็หมดได้เพราะรายจ่ายมันมากกว่ารายรับอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะทำกันอีกข้อก็คือความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านนี่ก็เป็นอันตรายกับเราเพราะการเกลียดคร้านมันไม่ทำให้เราทำอะไรให้มีรายได้ขึ้นมา ชอบนั่งนนอนๆอนหรือชอบทำอะไรไล้สาระเล่นเกมเล่นหมากลุกสมัยก่อนคนเขาก็อยู่เล่นไปนั่งตามร้านกาแฟกินกาแฟไปเล่นหมากลุกอไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันแทนที่จะเวลาไปทำมาหากินก็ขี้เกียจทำไม่ชอบทำงาน ชอบเล่นชอบ อ, อยู่เฉยๆคนพวกนี้ก็จะไม่มีวันร่ารวยได้ขอ้ขอที่ห้าคือการครบคนการครบคนที่ชอบเล่นการพนันชอบเดิมโซล่าอชอบเที่ยวมีความเกียดค้านชอบความเกียดค้าน ถ้าไปครบกับคนพวกนี้เขาก็จะชวนให้เราทำตามที่เขาชอบถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนให้เราไปเที่ยวถ้าเขาชอบอความเกียรตค้างเขาก็จะชวนให้เราเกียรตค้า เราจะไปทำงานก็ช่วยให้ไปนั่งเล่นหมากลุกกันดีกว่าไปนั่งดื่มกาแฟากันดีกว่าอันนี้ห้าข้อด้วยกันที่เป็นการกระทาที่เป็นโทษกับเราอนอกจากที่ทำให้เราไม่ได้มีรายได้แล้วอาจจะทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่เสียหายมากกว่านีน้เพิ่มเติมอีก ก็คือการไปทำบาป ก, การไปรักทรัพย์การไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไปประพฤติผิดประเวณีการไปโกหกหลอกลวงมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราไม่มีมเงินไม่พอใช้แล้วอยากจะใช้เงินนี่ไม่มีเงินเพราะเราไม่ได้ไปทำงานเราเกียรติ้านหรือเราเอาเงินไปเที่ยวหมดเอาเงินไปเล่นการพนันหมด เราไม่มีรายได้ไม่มีงานทำเราจะหาาร า, ายได้อย่างไรก็อาจจะต้องไปโกหกหลอกลวงคนที่รู้จักหลอกเขาขอยืมเงินเขาคนที่ยืมเงินนี้มีกี่รายที่เอาเงินมาคืนถ้ายืมแบบไม่มีหลักทรัพย์มาประกันนี่รับรองได้ยืมไปแล้วก็อย่าไปหวังเงินได้คืน ถ้าอยากจะได้คืนต้องมีหลักทรัพย์เน่เช่นที่ดินหรืออะไรแม้แต่มีหลักทรัพย์บางทีก็ไม่ได้เงินคืนเขาก็เขาไม่มีเงินมาคืนเขาก็ยอมยอมให้ลิบหลักทรัพย์ไปอันนี้ก็พอเรายุ่งเกี่ยวกับการกระทาที่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับต่อไปเราก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีชอบโกง ไปหลอกลวงถ้าหลอกลวงไม่ได้ก็อาจจะไปลักทรัพย์ลักขโมยทำไมถึงมีโจรมีคนคอยลักทรัพย์อยู่ยยเรื่อยเรือยเพราะคนพวกนี้เขาไม่มีรายได้เขามีรายจ่ายเขาก็ต้องมาหารายได้จากการลักทรัพย์แล้ว เ, เวลาไปลักทรัพย์บางทีก็อาจจะต้องอต่อสู้กัน เ่าสู้กันก็อาจจะเกิดการฆ่ากันก็ได้นี่คือการกระทําที่ไม่ดีที่เราอาจจะรู้กันที่เราอาจจะคิดว่าเราไม่ทำกันแต่พอถึงเวลาถูกบีบบังคับเข้าจริงๆเราบางทีก็ก็จะต้องทําเพื่อจะเอาตัวรอดเอาเพื่อเพื่ออยู่รอดเมื่อไม่มีเงินลายได้ มีแต่รายจ่ายมันก็ต้องหาเงินแบบวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษขังคุกขังตารางหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะถึงกับปราหารชีวิตนี่นคือเรื่องที่มันจะบานปลายไปที่ระเล็กเทียรน้อย จากการทำสิ่งที่ไม่ดีทีละเล็กทีละน้อยตอนต้นเราก็บอกไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไรเดื่มแค่ครั้งเดียวเอแต่มันไม่คครั้งเดียวพอเดื่มครั้งเดียวเดี๋ยววันข้างหน้ามันมีนมโอกาสอีกละเดี๋ยวคนนั่นชวนเดี๋ยวไปงานนั้นงานนี้อะเดี๋ยวก็เลยเริ่มเพิ่มเดื่มมากขึ้นไปพอเดืมอมหลายๆครั้งทีนี้มันติดแล้วไม่มีงานก็หามาดื่มเองไม่มีใครชวนก็ไปหามาดื่มเอง นี่แหละคือสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้ว่าไม่ดีเรากลับไปเห็นว่ามันดีเพราะว่าเวลาได้ทำมันก็มีความสุขเวลาดืา่มโซดามันก็สุขเวลาเล่นการพนานมันก็สุขเวลาเที่ยวมันก็มีความสุขเวลาไม่ทำอะไรไม่ไปทำงานมันก็สบาย เวลาไปทำงานมันเหนื่อยไม่ทำงานอยู่เฉยมันสบายกว่ามันก็เลยสุขแต่มันไม่เห็นว่าเป็นความสุขที่จะสร้างปัญหาขึ้นมาต่อไปเพราะมันมีแต่เสียรายได้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายต่อไปอาจจะต้องถูกบังคับบีบบังคับให้ไปทำบา อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางต่อไปนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ดีที่สิ่งที่ไม่ดีที่เราอาจจะไม่รู้กันที่เราอาจจะคิดว่ามันดีถ้ามันรู้กันรับรองบริษัทขายสุรานี้เขาเจ๊งไปหมดแล้วหม่อนการพนานนี้มันจะปิดไปหมดแล้ว แต่นี้มีแต่อยากจะขอเปิดบ่อนกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้ยังเปิดบ่อนถูกกฎหมายไม่ได้เปิดได้ตำรวจก็เอาหูไปนาเอาเอาตาไปไล่เออเาแบบมือรับอรับสินบนเอก็เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ยังผิดกฎหมายาก็อยากจะให้ไหนๆมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วทำไมไม่ทำให้มันถูกกฎหมายเลยเอ ต่อไปก็อาจจะไม่แน่ต่อไปเมื่อคนที่มีความเห็นผิดมองแต่ผลประโยชน์ไม่มองเห็นผลเสียหายที่ตามมาก็ต่อไปก็อาจจะทำให้ถูกกฎหมายก็ได้สุรายาเมานี่ในบางประเทศมีมีบางบางเวลาเขาทำให้ผิดกฎหมาย แต่ทําไปทํามาก็ยกเลิกไปเพราะถึงแม้ผิดกฎหมายคนก็แอ บ, บลักลอบขายแอ บ, บลักลอบซื้อแอ บ, บแอ บ, บดื่มกันจอจนั้นไปมองเห็นว่ารัดเสียประโยชน์เสียภาษีไม่ได้ภาษีไรายได้อย่งไหนไหนมันจะดื่มกันแล้วก็ให้มันดื่มเอจะได้เก็บภาษีได้จะเอาภาษีมาเอ แต่เงินที่ได้มาอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเพราะเวลาคนดื่มไม่สบายก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลไม่มีเงินรักษาลัด ก, ก็ต้องจ่ายให้สามสิบบาทรักษาทุกโรคทำไปทามาก็ขาดทุนอยู่ดีเพราะคนดื่มสุรามากก็มีโครคภัยไข้เจ็บมากต่อไปก็เหมือนกันต่อไปบ่อนเงนนั้น ไหนๆมันจะเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วปล่อยให้ตำรวจมันเอาทำไมอให้มันเข้าเข้าเข้าคังดีกว่าต่อไปก็คงจะออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดบ่อนได้อันนี้แหละคือความหลงทั้งของคนที่คนของคนที่จะมาดูแลรักษาบ้านเมืองก็หลงกันไปเห็นผิดเป็นชอบกันไป การที่จะเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายกลับไปเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เพราะมันผลิตรายได้แต่มันเป็นรายได้ที่กองอยู่บนน้ำตาของคนที่เสียกองอยู่บนกองทุกข์อันนี้ถ้าทุกคนที่เป็นชาวพุทธนี่มาเข้าวัดมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้เชื่อว่า อบายามุกในบ้านเมืองเหล่านี้จะไม่มีจะไม่มีบาไม่มีพับนะจะไม่มีบอลจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทุกคนจะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้เราอยู่กันแบบวุ่นวายเดือดร้อนหวาดวิตกกังวลมีโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมือง พอปัญหาของ เ, อเรื่องของอาบายามุกนี่นี่แหละเรื่องที่เราอาจจะคิดว่าถูกแต่มันไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่คิดลึกๆไม่มองกว้างๆเราก็จะเห็นว่ามันไม่เห็นเสียหายหตรงไหนใครอยากจะเดิ่มก็เดิ่มไปแต่ พอเขาดื่มมากๆเขาเมาเดี๋ยวก็อาลวาดเดี๋ยวเขาก็ไปทุบตีผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นนี่ก็เรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้ความเป็นจริงที่สอนเรื่องจริงเรื่องคุณเรื่องโทษจริงๆถ้ามาเรียน สิ่งที่พระเจ้าจะสอนอันดับแรกก็คือให้รู้จักคบคนอย่าคบคนโง่ให้คบคนฉลาดคนโง่เราเรียกภาษาพระเรียกว่าคนพาลคนฉลาดเราเรียกว่าบัณฑิตมงคลข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ท่านแสดงไว้ว่าการไม่คบคนพาลหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่ง ก็คนผ่านก็คนง่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภยัยคนที่คิดว่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าเราไปคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปทําตามที่เขาชอบทำํำถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราชอบเที่ยวก็จะชวนเราไปเที่ยว ชอบความเกียรติกาเขาก็จะช่วยให้เราเกียรติการนี่ยมงคลข้อที่หนึ่งนี่พระพุทธเจ้าแสดงก่อนเลยคืออย่าไปคบคนผ่านอย่าไปคบคนโง่อสองให้คบคนฉลาดเพราะคนฉลาดจะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษถึงเรียกว่าคนฉลาดคนฉลาดที่สุดก็คือใครก็คือพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้านท่านทั้งสามนี่แหละเป็นผู้ที่รู้คุณรู้โทษอย่างแท้จริงรู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรเป็นโทษเราต้องคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิธีที่เราจะคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราต้องทำความรู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใคร ท่านทำอะไรมาท่านมีความสามารถอะไรบ้างถึงต้องไปคบกับพระพุทธเจ้าหรือไปศึกษาจากพระธรรมคำสอนจากของพระพุทธเจ้าหรือไปเข้าหาพระอริยสงสาวกก่อนที่เราจะคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างมีความสนิทใจอย่างมีความมั่นใจอย่างมีความชื่นชม เราต้องศึกษาว่าท่านเป็นใครท่านมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเราจึงไปคบจึงคนจะไปเข้าหาจากท่านเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายบางที่เราก็หาหมอก่อนที่เราจะหาหมอเราก็ต้องถามคนนั้นคนนี้ก่อนว่าหมอคนไหนดีหมอคนไหนรักษาโาครคภัยไข้เจ็บแล้วหายหมอคนไหนรักษาแล้วตาย ถ้ารู้ว่าคนไหนรักษาแล้วตายมากกว่าหายก็ไม่มีใครอยากจะไปรักษาถ้าหาหมอที่มีแต่หายไม่มีตายนี่ก็จะมีคนอยากจะไปรักษาก็เหมือนกันการที่เราจะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องรู้ว่าท่านมีคุณกับเราหรือมีโทษกับเราไปครบกับท่านแล้วเรากาไรหรือขาดทุนถ้าคบแล้วขาดทุนไปทำไม อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันให้เข้าใจก่อนถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอริยสงสาร ว, าว่าท่านเป็นคนแบบไหนท่านสั่งสอนอะไรเราก็อาจจะไม่มีความอยากจะเข้าไปพบเข้าไปติดต่อเข้าไปรู้จักเพราะเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านมีคนมีประโยชน์อย่างไรกับเรา อการที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยโดยหลักแล้วถือว่าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอเป็นผู้นําทางอเราเปรียบเทียบเป็นเหมือนเราคนเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านเปรียบเหมือนคนตาดีคนตาบอดเวลาไปไหนนี่ต้องอาศัยคนตาดี คนใส่บาตรมีคนตาบอดอยู่คนใส่บาตรอยู่ที่บ้านอำเภออยู่ตรงใกล้ๆกับศาลเจ้ า, เ, าเวลาจะใส่บาตรต้องมีคนยืนประกบด้วยเราบอกว่าใส่ได้ใส่ตรงนี้ถ้าไม่มีคนตาดีบอกก็จะใส่ไม่ได้เพราะจะมองไม่เห็นบาตรไม่รู้ว่าบาตรอยู่ตรงไหน อ, อันนี้ก็เหมือนกัน เ, เรื่องของ คนตาดีกับคนตาบอดพวกเรานี้เป็นเหมือนคนตาบอดบอดเพราะอะไรถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ก็ถือว่าเราตาบอดกันเพราะพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวงนี้ท่านไม่มีความทุกข์กันทำไมท่านอยู่แบบไม่มีความทุกข์แล้วเราทำไมถึงอยู่แบบมีความทุกข์ก็เพราะว่าท่านตาดีท่านเดินไปไหนท่านเห็นต้นไม้ท่านก็ไม่เดินไปชนมันแต่คนตาบอดนี่ มันมองไม่เห็นต้นไม้มันก็เดินหัวทิ่มก็ไปหาต้นไม้พวกเราที่ทุกข์กันเพราะเราบอดไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเดินเข้าหามันเป็นความทุกข์อย่างพวกที่เมื่อกี้แสดงไว้อบายามุกนี่สุรายาเมาเล่นการพนันนี่มันเหมือนต้นไม้เหมือนต้นเสาที่ขวางอยู่ทางเดินเราแต่เราเดินไปเรามองไม่เห็นหรือเห็นก็เห็นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นอันตรายกับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ ก็เลยเดินเขาไปหามันไปชนมันพอชนศีรษะไปชนเสาไปชนต้นไม้มันก็เจ็บขึ้นมาแต่เราไปคิดว่ามันเป็นประโยชน์คิดว่าต้นไม้นี่มันนิ่มถ้าชนแล้วจะทำให้สมองเราแจ่มใส <laughs> <laughs> นี่ก็เหมือนกับคนตาบอดถึงแม้จะมีตาเห็นแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นอันตรายกับเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา มันยิ่งร้ายกาจยิ่งกว่าคนตาบอดเองคนตาบอดอย่างน้อยพอรู้ว่ามันเป็นอันตรายก็จะไม่เข้าใกล้คนตาคนตาไม่บอดแต่คนที่เห็นผิดเป็นชอบนี้กับกับกับร้ายกาจกว่าเพราะเห็นอยู่ว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่กลับไปเห็นว่ามันดีแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับเห็นมันเป็นคุณเป็นประโยชน์แทนที่จะเดินหนีกับเดินไปหามันอะไรถูกมัน มันมันเคาะศีสะเรามันทาให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจกัินเนี่ยนี่คือทำไมเราต้องเข้าหาบัณฑิตเพราะว่าพวกเรานี่เรายังไม่ฉลาดพอเรายังไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้เรายังถูกความทุกข์ครอบงำอยู่เรายังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้สิ่งที่เราทุกข์มีอะไรบ้างเรื่องร่างกายทุกข์ห เวลาเกิดมานี่ทุกข์หรือสุขเกิดมาแล้วนี่ออกจากท้องแม่มานี่หัวเราะหรือร้องไห้ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้นะเพราะต้องหายใจเองเวลาอยู่ในท้องแม่นี่ไม่ต้องหายใจเองแม่ป้อนไม่ต้องไม่ต้องดื่มน้ำเองไม่ต้องกินอาหารเองพอมาจากท้องแม่นี่เดี๋ยวก็ร้อง้ะเดี๋ยวก็หิวข้าวนะเดี๋ยวก็หิวน้ำนะ เดียวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดทายร้องอยู่ตลอดเวลาการการ้องนี่แสดงว่าไม่ใช่สุขต้องทุกข์คนเราถ้ามันสุขจะร้องกันหรือเปล่ามีแต่หัวเราะกันใช่เวลามีความสุขนี่ทุกคน ล, าล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มจใสหัวเราะคึกคักกันพอเวลาทุกข์นี่ร้องกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเกิดการเกิดนี่มันเป็นทุกข์มีร่างกายแล้วมันทุกข์ เขาจะต้องเลี้ยงดูมันทุกวันที่เราตื่นขึ้นมานี่เราต้องทำอะไรกับร่างกายต้องคอยเลี้ยงดูมันไม่มตื่นขึ้นมาก็ต้องไปเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายก่อนนะเดี๋ยวก็ต้องลาบน้ำให้มันล่างหน้าแปรงฟันให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเสร็จ แ, แล้วก็ต้องไปหากิหาข้าวหาน้ำให้มันกินเสร็จ แ, แล้วก็ต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อข้าวซื้ออะไร ดื่มน้ำมาเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันเป็นความสุขและเป็นความทุกข์กันแต่เราไม่คิดกันเราไปคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราคิดว่ามีร่างกายดีเพราะจะได้ไปเที่ยวจะได้มีแฟนจะได้มีความสุขแต่ไม่เห็นเวลาที่เราต้องทุกข์กับมันนี่คือทุกประจําวันมีอยู่ทุกวันทุกเกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทํามาหากิน แล้วก็ต้องมาทุกกับภัยรอบตัวไปไหนมาไหนก็หวาดระแวงหวาดกลัวกันอกลัวจะมีภัยเข้ามาอบางทีก็ภัยทางรถยนต์เอถ้าขับรถนั่งรถก็หวาดกลัวกับเรื่องอุบัติเหตุอถ้าไปอยู่ที่เปรี่ยวก็หวาดกลัวกับโจรผู้ร้ายมีภัยรอบด้านอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างะแล้วยังมีความทุกข์ที่มัน เป็นเงาตามตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันตามเราไปตุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยขนาดไหนมีรอปรพอปกป้องรักษาขนาดไหนก็ป้องกันไอ้สามตัวนี้ไม่ได้จ้างยามจ้างทหารมาคอยเฝ้าดูป้องกันร่างกายนี้แต่ไม่สามารถป้องกันในสามตัวนี้ได้ ไอ้ตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายนี่เดี๋ยวมันมันจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราในที่สุดเนี่ยนี่ก็คือทุกข์เนี่ยที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันแต่เรากับไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันเรากับมีแต่ความล่าเรื่องดีใจมีร่างกายแล้วดีใจกันมีร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขต่างๆ แทนที่จะไปคิดว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์ก็ลืมไปหมดเพราะเวลามันสุขมันเลยทำให้เราลืมทุกข์กันไปแต่พอถึงเวลาที่เจอทุกข์เข้าจริงๆนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาเป็นอะไรไม่มีใครมาดับความทุกข์ในใจของเราได้เขาก็ช่วยได้ทางร่างกายถ้ากินข้าวเองไม่ได้เขาก็อาจจะป้อนเราอาบน้าให้เรา แต่เราก็ยังต้องทุกข์อยู่พราเราไม่อยากจะให้ใครต้องมาอาบน้าให้เรามาป้อนให้เราเราอยากจะทำอะไรเองแต่มันทำไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของความทุกข์ที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันและเราก็ไม่รู้วิธีว่าจะทำไงถึงไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ได้มีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่ ท่านรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับร่างกายนี้ได้ท่านสอนให้เราปล่อยวางร่างกาย อ, อย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปอาศัยร่างกายถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายให้มาหาความสุขผ่านทางจิตใจโดยตรงใจของเรานี่สามารถมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องมีร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปกินพาเราไปดื่มพาเราไปดูอะไรต่างๆเราสามารถมีความสุขได้เพียงแต่นั่งเฉยๆหลับตาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําใจให้สงบเท่านั้นเองพอใจเราสงบนิ่งใจเราก็มีความสุขขึ้นมาถ้าเราทาได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งหลับตาทาใจให้สงบเงินก็ไม été, <um <um ่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเงินที่หาแสนยากยากแสนยากแต่ใช้ง่ายแสนง่ายหามายากแสนยากพอได้มาปก๊ไม่กี่วันก็หมดนะเงินเดือนออกนี่วันสองวันก็หมดนะแต่กว่าจะได้เงินเดือนออกแต่ละเดือนนี่ต้องสามสิบวันหายากแต่ใช้ง่าย ถ้าหาไม่ได้ไม่มีใช้ก็ทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราสามารถหาความสุขได้จากการทำใจให้สงบจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องหาเหงินไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายป่วยก็นั่งสมาธิได้นอนสมาธิได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ร่างร่างกายแก่ก็หาความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวเหมือนคนหนุ่มคนสาว แต่กับมีความสุขมากกว่าความสุขของคนหนุ่มคนสาวเพราะความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่มันสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้เน่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากการที่เราเข้าหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รู้จากวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราหาความสุขแบบนี้ได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย พอเราไม่พึ่งร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนเพราะมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่เป็นปัญหามีก็ไม่ได้ใช้มันไม่มีก็ไม่ได้ใช้มันแค่มันจะอยู่มันจะตายก็จะไม่เป็นปัญหามันจะแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เป็นปัญหามันจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็จะไม่เป็นปัญหามันจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ต้องใช้มันไม่ต้องพึ่งมันเเรามี วิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องทุกข์กับร่างกายเพราะเราพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์และถ้าทุกข์มากๆก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายกัน คนที่ข่าตัวตายเพราะเขาไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ร่างกายเป็นอามาพอามภาะาร่างกายเป็นโรคโรคโรคที่รักษาไม่หายโรคที่จะต้องตายนี่บางคนทรมานมากก็เลยข้าตัวตายดีกว่านี่คือความทุกข์ที่พวกเราไม่รู้กันที่พวกเราเข้ามาหากันคือเรามาหาร่างกายมามีร่างกายกัน S <S เราไม่รู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมาเกิดก็ได้เราอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ถ้าเราพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราจะรู้และเราจะรู้จากวิธีที่เราจะอยู่ได้ไดโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายก็ด้วยการมาฝึกจิตทำจิตให้สงบทำจิตให้มีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ ร่างกายนี้ถ้ามันตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่นี่คือเรื่องของความรู้ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ เาะทัพสมบัติต่างๆเข้าของต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถสอนให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้กลับจะทําให้เราอยู่มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปจากการที่ไปพึ่งไปยึดกับเข้าวของเงินทองต่างๆที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราตั้งใจฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาท้าวารรวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทินางเบตานางอุปกักปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวาสัมมิตจตุสัพเพปุระนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวะจันโตสัพพารุโควินาศตุ มาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทั้ง f a c e b o o สามร้อยหกสิบสองค่ะยู u t u หนึ่งร้อยห้าสิบสองวิดีโอออนไลน์ยี่สิบเก้ารับฟังบนข่าวยี่สิบเจ็ดรวมทั้งสิ้นห้าร้อยเจดสิบท่านค่ะเดี๋ยววันนี้มีศรัทธาค้าประจำอยากจะมาถามคำถามอ่าเอาไมโครโฟนไปนะมรสการค่ะหลวงพ่อ สิ่งที่หนูจะถามของพ่อคื อ, อหนูต้องทดสอบกับตัวเองหลายๆครั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นกระต่ายตื่นตเวนาคะก็ประมาณว่าหนูประมาณว่าสวดมนต์ทุกๆวันก็จะสวดหลายบทสวดก็จะมีบทสวดหนึ่งคือพาหูคือเวลาหนูสวดหนูจะหลับตาสวดนะเจ้าคะแล้วหนูก็จะมีบทสวดเกิดขึ้นข้างในใจเป็นตัวหนังสือขึ้นมาหนูอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ย มันเป็นอสัญญาหรือเป็นสมาธิโชคลาภหลวงพ่ออ๋อเป็นสัญญาเป็นความจำํำไงพอเราจําอะไรดูอะไรบ่อยๆมันก็ฝังอยู่ในใจเราอืก็มันก็เป็นเป็นสัญญาที่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราหยุดคิดปรุงแต่งแล้วก็จะทําให้ใจเราสงบถึงจะเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิจริงๆแล้วมันจะว่างไม่มีอะไร มันจะเย็นจะสบายจะไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรใจจะเฉยรู้สึกเฉยเฉยสบายสบายไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเจ้าค่ ะ, คะแค่นี้เจ้าค่ะเพราะ <c oughs> ว่าคือหนูก็นั่งมากอะค่ะสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นหนูที่เป็นการสวดมนต์เช้าเย็นหนูทําเป็นประจำคือคือสวดสวด ส่วนก็คือ ม, มันยาวไงคะสองรออ่าดีส่วนก็ดีดีกว่าไปนั่งคิดถึงแฟนคิดถึงลกูกเจ้า่าสาธุมีใอยากถ า, ถามก็ถามได้นะอะ่าไม่มีก็ส่งคืนคุณหมอทำไปเรื่อยๆส่วนไปอถ้ามันคิดทุก์ร้าน์ดก็สวนมนต์ดีกว่า ถ้านั่งน่งนังน่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้านั่งได้ก็ไม่ต้องสวด น, นั่งไปเลยเพราะนั่งสมาธิมันจะสงบกว่าการสวดมนต์แต่บางทีมันนั่งไม่ได้เพราะใจมันคิดมากก็เอามาสวดมนต์ก่อนสวดให้มันหยุดคิดก่อนเอามันหยุดคิดแล้วก็ค่อยมานั่งสมาธิต่อคำถามก็มีมีแล้ว ครคับในส่วนที่ความกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจก้าวข้าพมูอยากจะกลับเรียนถามพระเดชพระคุณท่านอันนี้จะแก้อย่างไงครับก็แล้วแต่อาจจะมันกลัวเรื่องอะไรก็ต้องแก้ไปทีละเรื่องเข้าใจไหมเรากลัวอะไรเลยกลัวแฟนทิ้งอกลัวแฟนทิ้งกันด้วยแล้วเราห้ามแฟนไม่ให้ทิ้งเราได้หรือเปล่าออ ถ้าห้ามได้ก็ห้ามเสียถ้าจับล่ามโซ่ได้ก็ล่ามโซ่จะได้หายกลัวแต่ถ้าห้ามไม่ได้ล่ามโซ่ไม่ได้เขาจะทิ้งเราก็ต้องยอมให้เขาทิ้งเรา <severe. S 1> พอเรายอมไม่เขาทิ้งเรามันก็หายกลัวเราต้องยอมรับความจริงมันถึงจะหายกลัวที่เรากลัวกันเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเช่นความตายนี่เราห้ามมันได้เปล่าห้ามมันไม่ให้มันตายได้ไหสั่งให้มันไม่ตายได้ไห แล้วไปกลัวทำไมกลัวมันก็ตายไม่กลัวก็ตายถ้ายอมตายใช่มมันก็หายกลัวยอมรับความจริงปัญหาของพวกเราคือไม่ยอมรับความจริงกันชอบอยู่กับความอยากไม่ได้อยู่กับความจริงอยากให้เป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างนั้นก็กลัวขึ้นมางั้นอย่าไปอยู่บนความอยากอยู่บนความจริงต้องมองความจริงว่าเป็นอย่างไร แฟนจะทิ <laughs> so ้งเราไม่ทิ้งเรานี Está ่เราไปห้ามเขาได้เปล่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ยอมดีกว่าเขาจะทิ้งเราก็ให้เขาทิ้งเราไปยอมให้เขาทิ้งแล้วเราก็จะหายกลัวร่างกายมันจะตายห้ามมันไม่ได้ก็ยอมให้มันตายไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะคำว่ายอมให้มันตายก็คือมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายให้มันตายไปแต่ไม่กลัวมันไม่กลัวความตาย ถ้ายอมให้มันตายแล้วมันจะไม่กลัวความตายเอนี้ยกลัวอะไรยอมซิยอมแล้วมันจะหายกลัว ả. กลัวผีก็ยอมให้ผีมันมาบีบคอเอกลัวอะไรก็เข้าไปหามันกลัวเสือก็เข้าไปหาเสอือให้เสือมันกัดให้มันกินให้มันตายไปเลยเนี่ยพระทวดงเนี่ยกลัวเสือกันก็ไปเข้าไปหาเสอือจะได้หายกลัวกันแล้วเสือมันก็ไม่มากัดเ ถ้ากัดก็ถือว่ามันถึงเวลาจะต้องตายหลวงปู่บางองเจเอกเสือนี่จิตรวมเป็นสมาธิเลยท่านถึงชอบไปหาเสือกันพอไปเดินเจเอกเสือนี่จิตมันแทนที่จะตื่นเต้ น, ต, น, ต, น ต, ตกใจมันวุบเข้าไปข้างในเลยรวมเป็นสมาธิขึ้นมาออกธรรมดานั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ที่วัดนี่มันไม่ยอมรวมมันชอบคิดชอบออกไปข้างนอก พอไเห็นเสือปั๊บนี้มันไม่ออกเลยมันพุทเข้าไปข้างในเลยเนี่แหละมันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวเห็นเรากลัวอะไรเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเรากลัวอะไรแล้วเราทำอะไรกับสิ่งที่เรากลัวได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมซะถ้าทำได้ก็ทำเช่นถ้ากลัวแฟนจะทิ้งก็จับเขาขังไว้ในคอกได้หรือเปล่า อคนบางคนบ้าไหมจับแฟนขังไว้ในในบ้านไม่ให้ออกไปไหนกลัวเดี๋ยวแฟนจะไปไม่กลับแต่มันก็ยังกลัวอยู่นั่นถึงแม้จะจับเขาขังไว้ในบ้านก็ยังกลัวเดี๋ยวเกิดเวลาเราเผลอเขาอาจจะแวบหนีออกไปก็ได้ะแต่ถ้ายอมให้เขาไปมันจะหายกลัวเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปเ้าไปแล้วเขาอยู่แบบถูกบังคับนี่มีความสุขหรเปล่าเขาก็ไม่มีความ เขาก็ไม่ยินดีจะอยู่กับเราใช่ไหมก็ปล่อยใหเขาไปไม่ดีกว่าถ้าเขาจะไปปล่อยเขาแล้วเขาอาจจะไม่ไปก็ได้เพราะเขารู้ว่าเขามีสละเขาจะไปก็ได้เขาจะอยู่ก็ได้เขาอาจจะมองว่าอยู่กับเราดีกว่าไปเขาก็ไม่ไปนี่คือเรื่องของความกลัวต้องใช้ปัญญาแก้ถึงจะหายถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติแก้ชั่วคราวก่อน เวลากลัวผีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนหน้ากลัวมีผีมาคิดว่าผีมาก็ให้ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปหยุดใจอย่าไปให้ใจคิดถึงผีถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธแทนที่จะไปอยู่กับผีเดี๋ยวผีก็หายไปความกลัวก็หายไปพอใจสงบปั๊บผีก็หายความกลัวก็หายเพราะอะไรเพราะใจเป็นผู้ผลิตผีขึ้นมาเองคิดไปเองคิดว่ามีผีมานะ แล้วก็กลัวก็ผลิตความกลัวขึ้นมาเพราะไปคิดถึงผีพอไม่ไปคิดถึงผีคิดถึงพุโทโธพุธโทโธผีก็หายไปความกลัวก็หายไปแต่มันหายชั่วขณะเดี๋ยวถ้าคิดใหม่ก็กลัวขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะหายให้หายกลัวอย่างถาวรก็พิจารณาผีไปเลยา่าผีมันเป็นอะไรเราห้ามมันได้เปล่าถ้ามันจะมาทำเราเราไปห้ามมันมันทาเราตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ทำไมตอนนอนหลับมันไม่มาทา ใชตอนที fast, <so ่เรานอนหลับนี่ทำเราง่ายที่สุดเลยตอนที่เราตื่นเรายังวิ่งมันหนีมันได้อยู่ถ้ามันอยากจะทําเรามันก็รอตอนที่เรานอนหลับเป็นดีกว่านะถ้ามันจะทําเราใช่ไหมถ้วมันไม่ทําเรามันไม่มีเราไปคิดขึ้นมาเองนี่คือใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาเราจะหายขาดจะไม่กลัวอีกต่อไป จะไปอยู่ที่ไหนคนเดียวนี่ได้ไปนอนอยู่ข้างฝาหลงนอนข้างหลงศพได้สบายเลยเมียตายยังคิดถึงเมีย อ, อยู่ก็ไปนอนข้างหลงศพเอาศพเมียไปตั้งไว้ที่วัดแต่ยังคิดถึงเมีย อ, อยู่ก็ไปนอนข้างๆหลงศพได้ไม่กลัวผีไม่เป็นอย่างนั้นถึงจับบ้านหมดเ <c oughs> มียยถาไม่บอกอ่า <c oughs> ขอไมโครโฟนหน่อย <c oughs> ยังยังไม่ได้เปิดเนี๋ยวเปิดเปิ ด, ปดตรงไหนภา่าไม่เป็นภาษาภาษาอังกฤษพวกนี้อ่านไม่เป็นไม่หนูไม่มีแม่ตามมาตาบอดพูดใกล้ๆนพูดใกล้ๆใหม่ก่กราบพระอาจารย์นะคะ เ, เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อสองวันนี้เองค่ะคือมีความสงสัยเพราะว่า เคยได้ฟังธรรมะแล้วก็มีพระอาจารย์หลายท่านบอกว่าทุกสิ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญมันมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างเช่นจิ้งจกตุกแกที่เวลาที่เมื่อก่อนคนสมัยก่อนจะบอกว่าจิ้งจกร้องทักตุกแกร้องทักต้องฟังทีนี้หนูเนี่ยเพิ่งเกิดกับตัวเองเพราะว่าบ้านที่ที่อยู่เนีคะอยู่มาปีนี้ปีที่สิบ ปกตินอนในห้องนอนเนี่ยก็จะไม่เคยได้ยินเสียงจิ้งจกหรือเสียงตุ๊กแกร้องอย่างเช่นจิ้งจกจะร้องอะไรนะที่เขาร้องทักค่ะแต่สองวันมาเนี้ยนอนอยู่ในห้องนอนได้ยินเขาเสียงจิ้งจกร้องเมื่อวานนี้วันเมื่อก่อนเ ม, มนื่อวันเสาร์ครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนอีกอีกครั้งหนึ่งก็เลยนึกถึงธรรมะที่พระท่านบอกเอ๊ะหรือจะเป็นปู่ย่าตายายมาร้องทักเราให้ให้เราแบบ ต้องอะไรหรือเปล่าอย่าเงี้ยค่ะก็เลยตั้งจิตก่อนนอนคืนนั้นว่าถ้าเกิดจริงจบที่มาร้องทักเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายเราจริงหรืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเราจริงขอให้เรารู้ด้วยว่าเขาจะมามาทักมาบอกอะไรเราอ่ะค่ะพอพ อ, พอเมื่อคืนนี้ก็เลยฝันอยู่ๆก็ฝันอืฝันเห็นเ อ, อพระเจ้าอยู่หัว อ, องค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะฝันว่ามันมันไม่รู้ฝันดีหรือไม่มันจะแต่ในฝันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ว่าท่านอะมามามองแล้วก็แบบเหมือนมามามาโปรดเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ในในในความฝันนั่นคือเรากลัวมากเพราะว่าเรามันชาวบ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตื่นตกใจมาก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะหรือสิ่งที่ที่เขามาเตือนเขาจะบอกว่าต้องเราต้องทําอะไรหรือเปล่าออก็เลยมาเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันสมควรหรือเปล่าคที่เราเราฝันไปอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะอะไรต้องการมาบอกเราหรือเปล่าอ่ะค่ะ ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจการรู้ตามความฝันก็แล้วรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่มีความหมายสําหรับเราเราก็ไม่ต้องไปหาความหมายให้มันเสียเวลาพพุทธเจ้าบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้ามันมีความหมายมันบอกเราเราก็ค่อยรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่เสียหายอะไรถ้าเราปล่อยไป ถ้าเราไปทำแบบที่เราไม่เข้าใจอาจจะเสียหายก็ได้ไปคิดไปวิเคราะห์ผิดนี่เห็นทางที่ดีถ้าวิเคราะห์ไม่เป็นก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันผ่านไปแล้วหรือว่าเราเป็นปกติไม่เป็นอะไรก็ใช้ได้แนะล้วหลวงพ่อคะคือหนูฟังเทศพระอาจารย์มาเป็นประจาหนูพยายามเข้าใจว่าความสุขที่พระอาจารย์บอกมันเพียงแค่ฟันฝ่าย แต่หนูก็รู้ว่าความสุขมันแค่แป๊บเดียว แต่ความทุกข์ที่ผ่านมาที่หนูเจอที่คนทําให้หนูเจ็บช้าน้ําใจมาตลอดมันจับอยู่ที่ใจสองปีมันเพิ่งหมดไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้พระอาจารย์คะหนูก็ทดสอบกับตัวเองว่าจริงหรือเปล่าเอ๋ที่เธอบอกว่าอุเบกขาแล้วก็ปล่อยวางหนูพยายามไปเจอคนที่ทําให้หนูเจ็บพระาอาจารย์ทุกครั้งแต่ก่อนถ้าเขาผ่านหน้าบ้านหนูอยากจะด่าแล้วบางครั้งถ้าไม่ด่าหนูก็พุดโธ เพราะไม่อยากจะไปตอบโต้เขาแต่บัดนี้หนูกลับยิ้มกับเขาได้พระอาจารย์ อ, อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าก่อนแสดงว่าแผลหายแล้วไงเจ้าค่ะแผลใจมันหายสองปีนะเจ้าค่ะบางทีใช้เวลานา น, านหน่อยบางคนก็ปั๊บเดียวเป็นตอนเช้าตอนใหญ่ตอนบ่ายก็หาย ถ้าคนมีสติอุบเบกขาดีๆเป็นปุ๊บหายปั๊บเลย อ, อ๋อาอาจารย์คือแผลมันใหญ่ะเลยแต่เยอะอะค่ะมันก็เลยหายยากจําจนวนมันเยอะไม่ได้แหละความโกรธแล้วมันเยอะอ๋อเจ้าค่ะอะยิ่งโกรธเยอะแผลมันก็ ย, ยิ่งยงิ่งบวชแหวะใหญ่อ๋อสาธุเจ้าถ้าโกรธได้มันก็ไม่ไม่บวชแหวะอ๋อเข้าใจถ้าไม่โกรธเลยก็ไม่มีแผลเลยอ๋อเจ้าค่ะสาธุเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทําไมเราจึงต้องมาฝึกแผลเมตตากันเนีไย ไม่ให้โกรธไม่ให้ไปเกลียดใครใครทําอะไรเราเราให้อภัยทันทีแล้วแผลมันก็จะไม่ไม่มีแผลถ้าไม่ยอมให้อภัยอาฆาตพยาบาทนี่มันก็เป็นแผลเบิร์กว่ะอยู่เป็นแผลเลื้อหลังนี่มันต้องสองปีเพราะความโกรธเกลียดเคียดแค้นถ้าเราละความโกรธเกลียดเครียดแค้นได้เป็นปุ๊เขาทำปุ๊บ ก, ก็หายปั๊บเลยบางทีไม่เป็นเลยอ พราอรหันนี่ท่านไม่เป็นอะไรกับใครเลยใครจะด่าใครจะว่าอะไรใครจะการแกล้งอะไรอย่างไรท่านก็เฉยเห็นว่ามันเป็นเล่นกับเด็กไปอไปวล้เล่นกับเด็กแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บนะเพราะเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กนี่เราไม่ไปยอมมาเห็นว่าเาเป็นเด็กเราเห็นว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้เราพอเขาถามเราเราก็เลยเจ็บปวดด้วยเล่าขึ้นมาแต่ถ้ามองทุกคนว่าเป็นเด็กนั้นสบายจะไม่ไป ไปถือสาไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งจิตใจของคนที่ยังไม่ปกติยังไม่สงบนี่ถือวยังเป็นเด็กอยู่จิตใจของคนที่ยังไปก่อเรื่องก่อราวกับคนนั้นคนนี้อยู่แสดวงว่ายังเป็นเด็กอ๋อพ่อคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกไหมคะ ท, ที่หนูทดสอบเพราว่าหนูพยายามไปเจอไปเจ อ, ไปเจอผู้ปรับและพยายามที่ว่าก็เป็นการไปไปทดสอบดูไงก็เรียกว่าเออ อที่เขาเรียกกันอะไรที่เวลาไปอยู่วัดแล้วเขาให้ไปสอบอะไรสอบอารมณ์เนี่ยก็เรียกว่าสอบอารมณ์เออมโอเคเราอยากจะรู้ว่าเราสอบผ่านไม่ผ่านแล้วก็ต้องไปสอบอ เ, เราทําการบ้านมาหลายวันแล้วอ่อ่าทีนี้เราอยากจะไปรู้ว่ามันผ่านไม่ผ่านก็ต้องไปเจอของจริงเวลายังคิดอยู่ในใจยังไม่เจอของจริงมันไม่แน่ ของที่เราคิดในใจของที่ของจริงที่เราเจอนี่มันอาจจะไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> งั้นเราก็ต้องไปเจอของจริงเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไป <Yeah. S 1> เหมือนพระที่คิดว่าไม่กลัวเสือก็ต้องไปอยู่ในปา่าไปฟังฟังเสียงเสือคำรามดูไม่ต้องเห็นนั่นแหละเพียงแต่ฟังยินเสียงมันคำรามแล้วดูซิว่าใจเป็นยังไงใจสั่นหรือใจเฉยถ้าใจเฉยก็แสดงว่าผ่าน ไม่กลัวเสถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะกราบนมัส ก, การค่ะพระที่เล่นไลายเล่นเฟซบุ๊กผิดศีลไหมค้างมันไม่มีศีลห้ามเนี่ยทำไงเล่นไลน์ เ, เล่นเฟซบุ๊กมันไม่มีศีลห้ามแต่ถ้าถ้าถามถามโดยโดยลักษณะของความเป็นพระเป็นเนนว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร ก็มันก็ไม่ควรทำํำพระเนยมีหน้าที่มาศึกษาลรื่มเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่มาปฏิบัติทำเมื่อปฏิบัติแล้วสําเร็จแล้วก็มีหน้าที่มาอบรมสั่งสอนญาติโยมต่อไปเพื่อทดแทนบุญคุณที่เขาใส่บาตรให้เรากินทุกวันไม่ใช่มากินข้าวเขาแล้วแล้วก็มาเล่นไลน์มาเล่น facebook กันอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์ พระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะห้ามออนี่ไม่มีใครมาห้ามไงเพราะผู้ที่มาทำหน้าที่พระพุทธเจ้านี่ก็เขาเรียกไลบอยไม่ทำหน้าที่ไม่ไมมออกกด ร, ระเบียดมาห้ามปาลทั้งวันนี้พระเนนก็เลยเละเทะไปหมดนี่ได้ข่าวว่าเขาจะเขาจะเปลี่ยนระบบผู้ที่มาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านี่มาเทระสมาคมนี่เละเทะอาจจะ อร้านร้านกระดานตั้งใหมให่บอกจะมีให้ในหลวงเป็นคนตั้งเองเอยอันนี้ก็เพราะว่าคนที่คนที่มาตั้งกฎก็ตัวเองก็ทําผิดเองก็จะไปตั้งกฎได้ไงคนที่มาจะตั้งกฎเป็นคนมาเล่นไลน์เล่นเฟซองนี้แล้วจะไปตั้งไปห้ามได้ไง คนที่จะตั้งกฎมานั่งรถเบนซ์นั่งรถเก๋งอะไร น, นี้แล้วจะมาห้ามไม่ให้พระมานั่งรถเบนซ์นั่งรถเก๋งได้มาให้มีรถเบนซ์รถเก๋งได้ใช่ไมต่อไปต้องมาตั้งพระที่ไม่มีอะไรมาแบบพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรใครทำอะไรไม่มีที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนี่ท่านห่างห้ามได้เลยนี่ถ้าไปตั้งคนที่มีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพอคนอื่นเขาทำตามแล้วจะไปไปสั่งห้ามเขาได้หรือเปล่า ถ้าห้ามเขาก็ต้องห้ามตัวเองก่อนนะถ้าพระพุทเจ้าอยู่ปัจบนนี้ศีลสองอยิบเจ็ดกลายเป็นสองพันกว่าข้อแล้วมั้งมันมีอะไรเยอะแย ะ, ยะไปหมดนะใช่ไหมคําถามต่อไปจากคู่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราเป็นต้นเหตุไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้คนคนหนึ่งที่ฟังพระธรรมคําสอนหรือปฏิบัติธรรม แต่ทำให้เขาละความโกรธเกลียดเราไม่ได้เราแต่เราไม่ได้ทำอะไรนะคะนอกจากอยู่เฉยๆเราจะบาปไหมคะคือเราพยายามไปทำอะไรคนอื่นนี่มันไม่ถูกหน้าที่ของเราคือเราต้องมาทำตัวเราเองเราอย่าไปทำให้เขาหมามเราไปทาให้ไปห้ามไม่ให้เขามาโกรธมาเกลียดเราไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราไม่ให้ไปโกรธไปเกลียดเขาได้หรือห้ามไม่ให้เราไปอยากให้เขาไม่มาโกรธมาเกลียดเราได้ นั้นเราทำผิดทำผิดจุดก็้ะไหมจุดที่เราต้องทำคือตัวเองมาแก้ตัวเราเองอย่าไปแก้คนอื่นถ้าแก้คนอื่นมันแก้มันเหนื่อยไหมคนมีเป็นแสนเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวก็ไปแก้คนนั้นเดี๋ยวก็ไปแก้คนนี้พระเจ้าเจ้าบอกไปแก้คนอื่นเป็นแสนเป็นล้านก็สู้แก้ตนเองไม่ได้สู้แก้ตนเองได้แล้วปัญหาทั้งหลายจบแก้ตัวเราอย่าไปอยากให้คนอื่นเขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ นี่ต่อไปคนอื่นจะไม่ว่าจะมีกี่คนจะทาอย่างนู้นทาอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหากับเราแต่ถ้าเราไปแก้เขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแก้เขาบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แก้ได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเจอคนอื่นก็ต้องอยากจะแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็เสียใจสู้มาแก้เราดีกว่าแก้ตัวเราแก้ความอยากของเราอย่าไปอยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาพอเราแก้ตัวเราได้แล้วที่ไม่ต้องไปแก้คนอื่นใครก็จะเป็นยังไงก็สบายเป็นอย่างนั้นก็สบายเป็นอย่างนี้ก็สบายนะแก้ผิดจุดพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาแก้ตัวเราเองการปฏิบัติธรรมนี้มาแก้ตัวเราไม่ได้ไปแก้คนอื่นแต่ถ้าเรามีความรู้ความสามารถที่จะบอกคนอื่นถ้าเขาสนใจอยากจะมา ศึกษาวิธีแก้ตัวเขาให้แก้อย่างไรล้วก็สอนเขาได้แต่เขาไม่สนใจอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเหมือนกับเทน้ำใส่หนังหมาเขานีา่เวลาเทน้าใส่หนังหมามันหมามันทาไงมันไม่ต้องการน้ำใช่ไหม เ, เวลาเราสอนคนที่เขาไม่อยากจะฟังเราแล้วเป็นยังไงสะบัดก้นหนีเลยเดีไม่ดีต่อต้านด้วยด่าเราด้วย อเจอแล้วใช่ไหมไม่รู้จักในบ้านก็ไม่พูดแม้แต่ในบ้านก็ไม่พูดพูดไม่ได้อดี๋ยวดีไหมแล้วอ่าดีอ่าต่อไปคําถามจากคุณปอค่ะผมงดเล่าเข้าพรรษาทุกปีจะได้บุญบารมีหรือไม่ครับจะได้บาปน้อยลงไงจะเรียกว่าบุญก็ได้เพราะว่าการไม่ทําบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งศีลบารมีเอ คำถามจากคุณชินค่ะเวลาหลับตาเพื่อทําสมาธิไม่เคยมีความสงบนิ่งเลยถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็หลับง่วงจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะควรควรทําอย่างไรต่อไปอเวลาหลับตามันไม่ได้ทําให้ใจหายฟุ้งหรอกใจมันไม่ได้หายฟุ้งเพราเราหลับตาหรือเปิดตาใจมันหายฟุง้งหรือไม่หายฟุ้งอยู่ที่เรามีสติหยุดความคิดหรือเปล่า งั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธินี่เราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนสติจะเพื่อเอาสติมาหยุดความคิดต่างๆวิธีสร้างสติก็ต้องให้เราขยันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้คิดเพอเราพุโทโธมันก็ไม่คิดละเราพุโทโธอยู่เรื่อยๆความคิดมันก็คิดไม่ได้ต่อไปเวลาเรามันไม่มันไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธพอมันคิดเราก็พุโทโธใหม่ทําอย่างนี้ไปต่อไปเวลานั่งมันก็จะไม่ฟุ้งมันจะไม่หลับ มมัันนนจจะะสงบตคำถามจากคุณมนทีราค่ะหนูอยากถามเรื่องเรียนค่ะจะทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่งคะพระอาจารย์ก็หนึ่งต้องมีความยินดีมีความชอบเรียนถ้าเราไม่ชอบเรียนมันก็ไม่มีทางแล้วแลจะทำไงให้เราชอบเรียนก็ต้องเห็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเรียนเปรียบเทียบดูคนที่เรียนกับคนไม่เรียนใครสบายกว่ากัน ไปเรียนจบปริญญาเป็นหมอเป็นอะไรนี่เขาขับรถเบนท์กับรถเก๋งเขามีคอนโดมีอะไรคนที่ไม่เรียนหนังสือก็ไปทำงานวันละสามร้อยกว่าบาทถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของการเรียนว่ามีคุณประโยชน์กับเรามันก็จะทำให้เรารักเรียนขึ้นมาอยากเรียนขึ้นมาพอเราอยากเรียนนะทีนี้เราก็จะขยันเองคนเราพออยากอยากได้อะไรแล้วนะมันจะขยันหาใช่ไหม เห็นตอนต้นต้องสร้างฉันทะคือความยินดีให้เกิดขึ้นให้ได้ความยินดีในการเรียนวิธีจะยินดีก็ดูผลของผู้ที่เรียนกับของผู้ที่ไม่เรียนเรื่งเงีเ้ยงใส่เร่งเร่งมันไล่กัดกันะนะันถ้าอยากจะเรียนดีก็ต้องรักการเรียนการจะรักเรียนก็ต้อง เห็นคุณค่าของการเรียน Wednesday. ถ้าเราเห็นคุณค่าว่าเหมือนกับได้เงินได้ทองนี้เราก็จะขยันเรียนเพราะไม่มีใครไม่อยากได้เงินได้ทองเนี่ย <INDISTINCT S 1> ถ้าเราอยากได้เงินได้ทองอยากร่ำอยากรวยก็ต้องเรียนหนังสือพอเรียนเรียนจบได้ปริญญาแล้วที่ไปสมัครงานนี้ได้เงินเดือนดีกว่าคนที่ไม่ได้จบปริญญาเอานีพอเรามีความนักเรียนแล้วความขยันเรียนจะมาขยันเรียนความตั้งใจเรียนจะมา เวลาครูสอนอะไรนี้จะตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่รู้เรื่องคนที่รักการเรียนจะเวลาอยู่ในห้องเรียนจะไม่คุยกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนจะคอยฟังครูสั่งให้ทำการบ้านก็จะทำครูสั่งให้อ่านหนังสือก็อ่านทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เรียนดีให้เรียนจบแต่เริ่มต้นที่การรักเรียนการที่เราจะรักเรียนได้เราก็ต้องรู้ คุณค่าของการเรียนว่ามีคุณค่าอย่างไรค ำ, คำถามจากคุณทิพวันค่ะมีพระมาบิณฑบาตแต่ยืนรอให้โยมมาใส่บาตรให้แต่โยมไม่ใส่ให้นะเจ้าคะเพราะโยมคิดว่าท่านทำผิดวินยัยโยมคิดแบบนี้จะบาปไหมเจ้าคะอ๋อมันไม่เข้าใจกข้ายมไม่ใส่บาตรก็ไม่ใส่ถ้าใส่ก็ใส่ ถ้าถ้าถ้ายมไม่ใส่เขายังยืนรอยืนรออยู่ก็เรื่องของเขาก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปก็แล้วกันถ้าเราไม่ใส่เขาจะยืนรออยู่ก็เรื่องของเขาตามหลักรถพักก็จะเดินไปเรื่อยๆถ้ามีใครใส่ก็หยุดรับพอเขาใส่เสร็จก็เดินต่อไปนี่คือหลักของการบินธบัตะไม่ให้ไปเคาะประตูบ้านไม่ให้ไปยืนหน้าบ้านของคนนั้นคนนี้ยืนรอจนกว่าเขาจะใส่เกลืใช้ ใช้ใช้อะไรใช้ความดื้อด้านถ้ามึงยังไม่ใส่กูก็ยังไม่ไป <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่วิธีบินทาบาทนะบินทบาทนี้ไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านให้เดินไปเที่ยวเหมือนกับไปเดินเที่ยวในหมู่บ้านถือบาทไปแล้วก็เกิดใครอยากจะใส่ก็เปิดบานให้เขใส่เขาไม่ใส่แล้วก็เดินต่อไปจนกว่าจะจะจบไปถึงทางทาง ที่ทางเดินจบแล้วก็กลับกลับวัดไปแต่สมัยนี้มันมันก็บางทีก็ลำบากเพราะคนในเมืองเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่บาตรตามในบ้านกันใช่ะหมเขาไปใส่บาตรแถวตลาดกันเพราะตลาดมีแม่ค้าขายับข้าวขายอาหารบางทีพระก็ต้องไปยืนรออยู่แถวนั้นรอให้ญาติโยมไปซื้อกับข้าวาอ่าทึงต้องใส่ แต่ถ้าพระอยากจะรักษาพระวินัยรักษาธรรมเนียมของบินตบาตก็อย่าไปยืนเดินไปเรื่อยๆเดินวนไปวนมาไงเดินเดินออกไปจากตลาดแล้วก็เดินกลับเข้ามาตลาดใหม่ <laughs> เดินเป็นรอบๆไปเอ <laughs> นี่บางทีจังหวะมันอาจจะไม่ถูกตอนที่เราเข้ามาไม่มีใครใส่พอเราออกไปมีคนมาใส่พระองค์อื่นเข้ามาได้ก็ยืนรอเขาก่อเลยได้บางทีก็เลยจําเป็นจะต้องยืนรอ พอยืนรอเราจะได้ได้มีคนมาใส่ได้เวลาคนเข้ามาอยากจะใส่บาทก็เห็นผ้ายืนรออยู่เขาก็จะใส่นั้นบางทีมันก็ต้องปรับไปตามรูปแบบของสังคมในเมื่อสังคมเขาเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อของใส่บาทใช่ไชถ้าไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเวลาเข้ามาก็ไม่มีใครใส่หรือถ้าเราเดินไปนีเราก็ไม่มีใครใส่ พอเราเดินกลับมาคนที่จะใส่เขาอาจจะไม่เห็นพระเขาก็เลยไปก็เลยไม่ได้ใส่งั้นบางทีก็าอาจจะต้องมีพระยืนรอนอยู่แถวแถวร้านขายขายขายอาหารทาแบบนี้ถ้าถ้าได้พอแล้วก็คนจะกลับว้าน <laughs> <laughs> ถ้าเอาแบบที่ถ้าเอาแบบว่ามีสัญญากับแม่ค้านี่ไม่ดีเข้า <laughs> <laughs> ใจไหมพอพอคนใส่บาสก็ เอาเอากับข้าวออกจากบาทให้แม่ค้าไปใหม่เวียนเทียนแล้วแม่ค้าก็ใส่เงินให้แทนแา่อย่างนี้ก็เป็นการหาเงินไม่ได้เป็นการหาอาหารการบินฑบาทนี้ไม่ได้ไปหาหาเงินหาทองให้ไปห า, ห า, หาอหหาหารพอได้อาหารพอเพียงก็ควรจะกลับวัดนี่ฉะนั้นจะว่าพระยืนรอมันก็ไม่เสียหายถ้ามันจาเป็นถ้าอยู่ในในในสภาพที่จะต้องยืนรอ ถ้าพอเดินไปที่อื่นก็ไม่มีใครใส่ในเมืในบ้านในเมืองเนียคนก็จะรีบไปทํางานเขาไม่มีเวลามานั่งรอพระที่หน้าบ้านหรอกนะเขาอยากเขาอยากจะใส่บาตรเขาก็ไปที่ตลาดนแล้วก็ไปดูว่ามีพระมาหรือเปล่าพอมีพระเขาก็ใส่ใส่เสร็จเขาก็จะได้ไปขึ้นรถไปทํางานต่อของเขาถ้าพระอยากจะให้มีคนใส่บาตรก็ต้องไปยืนรอแถานั้นถ้าไม่อยากจะยืนรอก็ต้องเดินวนไปเวียนมาอย่านี้มันก็แล้วแต่จังหวะถ้าเดินมาจังหวะ ไม่มีคนใส่ก็ไม่มีคนใส่พอเดินไปคนใส่คนจะใส่ก็ไม่มีพา้าหรือมีภาพรูปอื่นเขาก็ใส่ภาพรูปอื่นไปถ้าเราเดินไปเดินมาอาจจะไม่ได้กิน <cs uk> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องยืนรอ <c oughs> อันนี้จะไปว่าท่านไม่ได้ใช่ไหมถ้าท่านบินสบายเพื่ออาหารอย่างเดียวถ้าไม่มีเจตนาอย่างอื่นขอให้เข้าใจนะอย่าไปยึดกับคำว่ากฎ อ, กอย่างเดียว ก็กดบางครั้งมันมันเหมาะกับยุคกับสมัยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปกฎนั้นมันก็ต้องมีการทบทวนในการปรับไปตามยุคตามสมัยเข้าใจยังคำถามต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าคนคนหนึ่งทําให้เราเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าต่อให้เราเฉยและอยากทําดีให้ และทอดทิ้งให้เราทุกข์แต่เขามีความสุขกับครอบครัวมันจะทําให้เขาบาปไหมคะไม่หรอกมันทําให้เราโง่ทําไมปล่อยให้เข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราทําไมออแต่ว่านราโง่เองเพราะงั้นโบราณก็บอกว่าถ้าเขาทาให้เราโง่ข้างล่างนี้เป็นโทษของเขาแต่ถ้าเขาทาให้เราโง่ข้างที่สองนี่เป็นความโง่ของเราใจไหมไม่ไม่รู้จักเรียนจากประวัติ อประวัติศาสตร์ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสแสดงว่าเราไม่ฉลาดครั้งหน้ า, น, านี้เราไม่รู้นี่ใครกจะทําให้เราทุกข์นี่เราไม่รู้ใช่ไหมยอยู่ดีๆเขาทําให้เราทุกข์ได้พอเขาเขาทําให้เราทุกข์ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองเราต้องระมัด ร, ระวังแล้ไอ้ตัวนี้เหมือนงูพิษละจะปล่อยให้มันมากัดซ้ำสองไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันมากัดซ้ำสองก็แสดงว่าเราโง่ใช่ไหมงั้นอย่าไปโทษเขาโทษเรา<ษ>ปล่อยให้เขามาทําให้เราทุกข์เอง คำถามจากทางยู u b นะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอถามครับคำว่ากลัวในสิ่งที่ควรกล้ากล้าในสิ่งที่ควรกลัวหมายความว่าอย่างไรครับกล้าในสิ่งที่ควรกลัวสิ่งที่ควรกลัวคือบาปกล้าที่จะไม่ทำบาปอย่างนี้กล้าที่จะไม่ทำบาปเพราะสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นอันตรายกับเราอย่าไปทามัน แล้วก็กลัวในสิ่งที่อะไรกล้าแล้วกลัวกับอะไรเนี่ยกลัวในสิ่งที่ควรกล้ากล้าในสิ่งที่ควรกลัวค่ะกลัวในสิ่งที่ควรกล้ากลัวอะไรที่สิ่งที่เราควรกล้าอกล้ากล้ากินเหล้าไหกล้ากินเหล้ากล้าเล่นการพนันก็ให้กลัวหลายคำมว่างกันนะกลัวกล้าในสิ่งที่ควรกลัวค่ะกล้าในสิ่งที่ควรกลัว เออไม่รู้ควรกลัวอะไรล่ะกลัวงูอย่างนี้กล้ากล้าที่จะเดินหนีเนี่ไงมันรัฐมันมันมันเป็นเรื่องคําพูดของคนที่เอาคําพูดมาพูดออย่ามันมันต้องต้องพิจารณาแต่ละอย่างไปว่าอะไรคือสิ่งที่ควรกลัวอะไรคือสิ่งที่ควรกล้าตามหลักศาสนาก็ให้กลัวบาปให้กล้ากรบการทําบุญเออแค่นี้รู้แค่นี้ คำถามจากคุณกิติค่ะเวลาเรานั่งภาวนารู้สึกได้ถึงความสงบสักพักใจมีอาการหม่นหม่นคล้ายไม่สบายใจอ่อนๆปรากฏขึ้นทั้งๆ ท, ที่ภาพรวมของใจยังมีความสงบตรงนี้เป็นอาการที่ปกติไหมครับเป็นว่าสติเราเริ่มอ่อนกำลังลงกิเลสตัวเศร้าหมองเริ่มมาทำงานเลยไม่เลยนั่งแล้วไม่สงบเหมือนตอนต้น แสดงว่าเราต้องเพิ่มสติถ้าเราไม่ได้พุทโทตอนนั้นเราก็ต้องมาพุทโทใหม่ถ้าดูลมได้แล้วก็ต้องจดจ้องดูลมใหม่อย่านั่งเฉยเฉยเพราะว่าสติเราหมดกําลังแล้วถ้าเหมือนรถยนต์ก็น้ํามันมันใกล้จะหมดแล้วต้องรีบเข้าไปวะที่ปั๊มเติมน้ํามันต่อมันถึงจะวิ่งได้ต่อจะคุณอิสเรีค่ะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิเป็นประจำค่ะชอบอยู่คนเดียว ตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่โกรธไม่เกลียดใครเวลามีเรื่องอะไรก็จะนิ่งไม่เดือดร้อนอะไรมีแต่ความเฉยเมยเย็นชาแบบนี้เขาเรียกว่าเราเป็นอะไรคะเราเป็นอุเบกขาไงเราไม่วุ่นวายไปกับใครใครเขาจะดีจะชั่วใครก็จะทำอะไรก็เรื่องเราไม่เป็นจิ้งหรีดก็อย่างนีจิ้งหรีดนี่พอใครเอาอะไรมาปั่นหัวหน่อยก็ร้องกิดก๊ดกรดเคเล่นจิ้งหรีดไหตอนเด็กๆทำไมเด็กๆนี่ก็จะจับจิ้งหรีดมา แล้วก็เอาเอาขนอะไรเนี่ยแล้วมามัดไว้ที่ปลายไมย้เพื่อจะได้ไปไปหย่ที่หัวของจิงหลีดพอไปอย่ที่หัวจิงหลีดมันคันก็ลองกิดก๊ดกิดก๊ดกิ๊ดกิ๊ดขึ้นมาเราไม่ได้เป็นจิงหลีดใครจะมาย่าเราอย่างไรเราก็เฉยแต่คนถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยใครพูดอะไรนิดก็ขึ้นมาอะไรของขึ้นเลยพูดนิดพูดหน่อย ไม่ดีใจก็เสียใจไปเล ย, ยแสดงว่าไม่มีสติไม่มีอุเบกขาก่อนที่ฝึกสติมากๆนั่งสมาธิมากๆจะมีอุเบกขาใจจะเย็นพูดง่ายๆใจไม่ร้อนคำถามจะคุณวัดสรรค่ะฉันทากับตัณหาอะไรคือเส้นแบ่งว่าอันไหนเป็นฉันทาอันไหนเป็นตัณหาครับกอคำว่าฉันทากับตัณหาเก็คนละคำเนาะอ ตัญหาในที่นี้เราพูดถึงความอยากถามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราเรียกว่าตัญหาสนฉันท่นนี้แปลว่าความพอใจความยินดีอความยินดีไม่ได้เป็นความอยากยินดีแต่ไม่อยากก็ได้ยินดีแต่ไม่อยากยินดีก็อยากก็ได้มันคนละคำกันยินดีกับไม่ยินดีอยากกับไม่อยากมันคนละคำกัน คนละเรื่องกันหมายถึงยินดีสร้างเหตุใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าฉันท้ายินดีมันก็ยินดีกินเหล้าก็ยินดีนไอ้ยินดีทําบุญก็มันก็ยินดียินเรียนยินดีเรียนหนังสือมันก็ฉันทะการมาฉันทะก็ยินดีกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสคําว่าฉันทานี่มันเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าตันหาความจริงมันมันมันในในคําหมายของของพระนี่มันไม่ดี มันหมายถึงตัณหาสามประการคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่พอเรามาเปลี่ยนจากมาแปลคําว่าตัณหาเป็นความอยากเป็นภาษาไทยมันก็มีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะความอยากภาษาไทยนี้อยากทําดีก็มีอยากทําชั่วก็มีนะถ้าอยากทําชั่วนี่เราก็เรียกว่าเป็นตัณหาถ้าอยากทําดีเราก็เรียกว่าเป็นฉันทะเป็นธรรมะ ถามจากคุณนาราทิ์ค่ะควรตั้งยังไงให้มีความสม่ำเสมอในการนั่งสมาธิและเมื่อช่วงเริ่มต้นนั่งสมาธิบางครั้งจะมีอาการเพ่งจนเกิดปวดหนุ่งหนวงที่หว่างคิว้วควรปรับแก้อย่างไงครับการตั้งสมาธิให้มันมีความสม่ำเสมอก็เหมือนกับการตั้งเวลากินข้าวไงเรากินข้าวมีเวลามสม่ำเสมอไหอ่า ทำไมกินข้าวมีสม่ำเสมอได้ทำไมนั่งสมาธิสม่ำเสมอไม่ได้แล้วก็ทำเหมือนกับกินข้าวเนี่ยเราก็ตั้งเวลาเหมือนกับกินข้าวเช้ากลางวันเย็นไปอ่ามันก็สม่ำเสมอถึงเวลาก็ทำไปถึงเวลาก็นั่งสมาธิกำหนดเวลาสิเวลาไหนที่เรามีเวลาว่างก็ตั้งไว้อ่าต่อไปนี้จะตั้งไว้นั่งเวลาก่อนนอนอ่านั่งเวลาตื่นหลังจากตื่นนอนนี่นั่งเวลาที่มีเวลาว่าง เวลาไหนว่างแทนที่จะไปเปิดทีวีดูไปนั่งกินกาแฟรหรือไปกินขนมก็นั่งสมาธิเราก็กำหนดได้ถ้ากำหนดได้แล้วเราทำตามได้มันก็มันก็ทำได้อย่างสม่ำเสมออยู่ที่เราจริงแต่เราไม่มีไม่มีกําลังที่จะบังคับตัวเราให้ทำความดีถ้าทาตามกิเลสนี่มันง่ายเร็วตั้งเวลากินกาแฟนี่ถึงเวลาแป๊ะกินอยากกินนั่นมาทันทีเลย ถ้าตั้งตั้งเวลาให้นั่งสมาธิพอถึงเวลานี้โอ้ยบน น, นบนนู่นบนนี่ไม่วงไม่ว่างอ้างนูน่นอ้างนี่ขึ้นมาลนะอันนี้มันมันมันยากตรงที่ว่าเวลานั่งสมาธินี่มันกิเลสไม่ยอมให้เรานั่งมันก็เลยหาเรื่องคอยหาสร้างอุปสรรคใหเรานั่งแต่ถ้าทำตามกิเลสนี่ไม่มีอุปสรรคเลยไฟเขียวผ่านตลอด แล้วเราต้องบังคับตัวเราเองเมื่อตั้งแล้วเราจะต้องทํามันจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่ก็ไปอย่าไปสนใจมันพอถึงเวลามีเวลาว่างก็ทำํำมันจะอ้างว่าเออขี้เกียจเออร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปอ่าง่วงเกินไปผิวเกินไปมันจะอ้างบ้าบอคอแตกต่างๆแต่เวลาไปเที่ยวันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาห้ามเลยไปได้เพื่อนโทรมาปุ๊บเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวไปเลย มันถ้าไปตามกิเลสแล้วไฟเขียวถ้าไปทางธรรมะแล้วมีแต่เจอไฟแดงทุกสีกเราต้องปรับไฟแดงให้เป็นไฟเขียวนะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณนันทณนนีค่ะขณะทขาขณะทาอาหารปานะเพื่อถวายพระเช่นขิงเชื่อม แล้วหยิบบางชิ้นทานชิมรสจะบาปไหมเจ้าคะ่ะอ่าอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายเนี่ยไม่บาปหรอกก็ถ้าไม่ชิมแล้วจะไปรู้ว่ามันเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวยาวของที่เราชิมไปถวายก็แล้วกันอย่าแยกออกมเวลาจะชิมก็ตักออกมาอแล้วอย่าเอาเทกลับเข้าไปใหม่ <c oughs> แยกไว้อส่วนที่ชิมก็ตักกินแล้วก็ทิ้งไปเลยจ้า จะเก็บไว้กินต่อก็เรื่องของเราแต่อย่าไปใส่กับของที่เราจะเอาไปถวายพระเทนั้นเองแอยกมันก็ต้องชิมบ้างใช่ไหมทำกับข้าวทำอะไรเค็มเกินไปหรือเปล่าหวานเกินไปหรือเปล่าแต่อย่าเอาช้อนอันเดียวกันตักชิมเสร็จแล้วก็กลับไปตักใหม่บางคนไม่กล้าไมคกล้าขี้เกียจเราทับพีเดียวอ๋อชิมเสร็จแล้วก็เลยเอาทักพีนั้นตักใส่ ตักตักไปใส่ถวายพระทีมันก็มันก็มีเชื่อโลกแล้วเนี่ยป้อนเรามันแตะที่ปากเราแล้ ว, ลวมีน้ำลายของเรานล้เขาถึงมีช้อนกลางไงเวลากินอาหารกันเนี่ยเวลาเรากินอาหารร่วมกันเขาจะมีช้อนกลางให้เราตักอาหารใส่จานของเราไม่ให้ตักอาหารใส่ปากโดยตรง พอเดี๋ยวทัพพีที่เราใช้ตักใส่ปากเรามันจะมีเชื้อมีน้ําลายของเราถ้าเรามีเชื้อเอทเดี๋ยวก็ไปเผยแพร่ให้กับกันได้อ้าวจริงๆริพระอาจารย์ครับเวลาหนูที่ว่าหนูก็เป็นคนทำอาหารคนหนึ่งพระอาจารย์แต่เวลาหนูชิมหนูไม่ได้ชอนะหนูแค่แบบเอามือปาดขึ้นแล้วก็แท น, นแล้วก็แทนนที่คือมือมือเราก็ส่งก็โปกก่งเข้ามาทําไมไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องหมดเวลาแล้วหมดเวลา ก็ลองใช้ช้อนอันจะช้อนชิมต่อไปหาช้อนชิมมาสักอันหนึ่งแต่ช้อนชิมก็ต้องชิมหมึ่เดียวมันจะชิมอีกก็ต้องไปล้างช้อนก่อ น, นอนนะ <c oughs> อาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ